สังขารและโลกโลกคือสังขารอันได้แก่สิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายก็ได้แ ก, ก่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างตลอดจนถึงมูสัต ซึ่งประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งหลายจากพื้นผิบนี้มาเป็นสิ่งนั้นมาเป็นสิ่งนี้เช่นมาเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นแม่น้ำลำคลอง มาเป็นหมู่สัตว์ทางมนุษย์ในดิาานซึ่งต่างดำรงอยู่ได้โดยอาหารพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สังขารโลกโลกคือสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งปวง รอมทั้งเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งให้บังเกิดเป็นสังขารต่างๆขึ้นดังที่ท่านพระอาจารย์ได้ยกมาจําแนกไว้เป็นต้นว่า ทรงรู้จักโลกที่มีหนึ่งก็คือข้อที่สัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้โดยอาหารดำรงอยู่ได้โดยอาหารทรงรู้จักโลกสอง คือนามหนึ่งรูปหนึ่งทรงรู้จักโลกสามก็คือเวทนาทั้งสามทรงรู้จักโลกสี่ก็คืออาหารทั้งสี่ทรงรู้จักโลกห้าก็คือขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้า ทรงรู้จักโลกหก็คืออาจตนะทั้งหทรงรู้จักโลกเจ็ดก็คือวิญญาณทิติที่ตั้งแห่งวิญญาณเจทรงรู้จักโลก8ปดก็คือโลกกระทำทั้งแปดทรงรู้จักโลกเก้า ก็คือสัตววาดที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งเก้าทรงรู้จักโลกสิบก็คืออายตนะทั้งสิบทรงรู้จักโลกสิบสองก็คืออายตนะสิบสองทรงรู้จักโลกสิบแปดก็คือธาตุสิบแปด ธาสิบแปดนั้นก็ได้แก่ธาตุคืออาจตนะภายในหกธาตุคืออาจตนะภายนอกหกธาตุคือวิญญาณที่รู้ทางอาจตนะอีกหกก็รวมเป็นสิบแปด แม่สังขารและโลกพระองค์ได้ตรัสรู้และพากออกไม่ยึดถือไม่เกี่ยวขอ้องจึงทรงเป็นโลกุตระอยู่เหนือโลกทรงพ้นโลก ส่วนผูที่รู้จักสังขาระโลกและยังยึดถือยังไม่พากิตออกได้ก็เรียกว่าเป็นโลกิยะหรือโลกีเกี่ยวอยู่กับโลกสัตวโลกหรือสัตวโลก โลกคือหมูสัตว์พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้จักสัตวโลกโลกคือหมูสัตว์ทุกจำพวกโดยที่ ได้ทรงรู้จักอาศัยหรืออาศัยคือที่อาศัยของจิตเป็นฝ่ายดีบ้างเป็นฝ่ายชั่วบ้างเมื่อเป็นกิเลส ก็เป็นที่อาศัยฝ่ายชั่วเมื่อเป็นบารมีเป็นคุณธรรมก็เป็นที่อาศัยฝ่ายดีทรงรู้จักอนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดาน ของสัตวโลกทั้งหลายทรงรู้จักจริตอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายทรงรู้จักอธิมุดคือความน้อมไปความเอียงไปแห่งจิตของสัตว์ทั้งหลาย ทรงรู้จักผงคือกิเลสที่เข้าตาใจของสัตว์ทั้งหลายว่าผู้ใดมีน้อยผู้ใดมีมาก ต้องรู้จักอินทรีย์คือธรรมะที่ครองจิตใจอันได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของสัตว์ทั้งหลายว่าใครมีแก่กล้า ใครมีอ่อนได้ทรงรูปจากอาการของสัตว์ทั้งหลายว่าใครมีอาการดีใครมีอาการไม่ดีทรงรูปจาก พื้นแห่งปัญญาของสัตว์ทั้งหลายว่าใครรู้ได้ไง่ายใครรู้ได้ยากทรงรู้จักพื้นภูมของสัตว์ทั้งหลายอันเกี่ยวแก่กิเลส เกี่ยวแก่กรรมเกี่ยวแก่ปัญญาเป็นต้นว่าใครเป็นภพภัสสัตคือเป็นสัตว์ที่สมควรที่จะรับธรรมะมนโนถึงธรรมะได้ใครเป็นสัตว์ที่เป็นอภพภะคือไม่สมควร ที่เรียกว่าอาพับไม่สามารถที่จะรับธรรมะกี่จะเข้าถึงธรรมะได้พระองค์ได้ทรงรู้จักสัตว์ตโลกโดยอาการที่ท่านพระอาจารย์ได้ยกมาดังที่กล่าวนี้และ มิได้ทรงรู้ติดหรือว่ารู้ยุดได้ทรงรู้พากออกได้จึงทรงเป็นโล ก, กุตระอยู่เหนือโลกพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โลก โดยที่ทรงรู้จักโอกาสโลกโลกคือโอกาสอันได้แก่ช่องว่างโลกคือโอกาสอันได้แก่พื้นผิพบทรงรู้จักสังขารและโลกโลกคือสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายทรงรู้จักสัตวโลก โลกคือหมูสัตว์มิได้ทรงรู้ติดรู้ยึดโที่รู้ติดรู้ยึดย่อมเป็นโลกิยะหรือโลกีเกี่ยวข้องอยู่กับโลกติดอยู่กับโลกแต่เพราะทรงรู้พราด ค, คือจิตของพระองค์พลากออกได้จากโลก จึงเป็นโลกุตระอยู่เหนือโลกอยู่เหนือโอกาสโลกอยู่เหนือสังขารโลกอยู่เหนือสัตวโลกทรงพ้นจากโลกทั้งหมดและความกัดสรูโลกของพระองค์ ทำให้พระองค์ทรงปฏิบัติพุทธกิจที่เป็นอัตถจริยาประพฤติประโยชน์ประทาประโยชน์แก่โลก ก็ทำประโยชน์โดยที่ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนโปรดสัตวโลกโปรดให้สัตวโลกคือมูสัตวที่เป็นพัพผัสษ คือสัตว์ผู้ที่สมควรเป็นเวเนยะคือผู้ที่แนะนำได้ให้รู้จัจจะคือความจริงที่ทรงสั่งสอนทำกิเลสและกองทุกข์ให้บรรเทาเบาบ า, บางหรือให้สิ้นไปได้บางส่วนจนสึงสิ้นเชิง เพราะเหตทุที่ทรงรู้จักโลกดังกล่าวนี้เองอันหนึ่งความรู้จักโลกนั้นก็อาจจะประมวลย่ อ, อเข้าได้ว่าคือรู้จักโลกโดยสมมติ กับรู้จักโลกโดยปรมัติร์รู้จักโลกโดยสมมตินั้นก็คือรู้จักโลกโดยที่แยกออกโดยส่วนใหญ่เป็นโอกาสโลกเป็นสังขารโลกเป็นสัตวโลก และแยกละเอียดออกไปอีกโอกาสโลกก็แยกออกเป็นพื้นปิภพส่วนนั้นส่วนนี้สังขารโลกก็แยกออกเป็นสังขารประเภทต่างๆซึ่งบางจำพวกก็มีใจครอง บางจำพวกก็ไม่มีใจครองและแม้สัตว์บโลกหมู่สัตว์ก็แยกออกไปต่างๆในหมู่มนุษย์หมู่เดรัจฉานที่เห็นๆกันอยู่นี้เอง ก็ยังแยกออกไปอีกมากมายและเมื่อแยกสรุปดังที่ตรัสแสดงเอาไว้ก็ได้แก่มูสัตว์เมื่อนับจากต่ำขึ้นมา ก็เป็นหมูสัตว์ในอบายภูมิหมูสัตว์ในสุขติภูมิคือหมูมนุษย์และที่สูงขึ้นไปก็หมูเทพหมูพรหมทั้งหลาย ซึ่งรวมเข้าที่ตรัสแสดงไว้ก็เป็นวิญญาณทิติที่ตั้งของวิญญาณ7หรือสัตววาดที่อยู่อาศัยของสัตว์9 และก็ได้ตรัสเอาไว้ในรูปประชานโดยยกข้อขึ้นพิจารณาในข้อที่ว่าอากาศไม่มีที่สุด วิญญาณไม่มีที่สุดในข้อว่าวิญญาณไม่มีที่สุดนี้ก็แสดงว่าวิญญาณมีมากมายหาที่สุดไม่ได้ก็วิญญาณอันหาที่สุดไม่ได้นี้เองซึ่ง รวมอยู่ในคำว่าสัตวโลกหรือสัตว์โลกโลกคือมูสัตว์ซึ่งวนเวียนเกิดแก่ตายจุติคือเคลื่อนออกจากกายที่แตกสลายอุปบัติ คือเข้าถึงพบชาติใหม่ก็เป็นไปอยู่ดังนี้ดังที่ปรากฏแก่พระยาณของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนแะ่ตรัสรู้ซึ่งทรงได้อุเพนิวาสานุสติญาณ ยานที่รู้ระลึกขันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้ดังที่เรียกสันส้นๆว่าระลึกชัดได้จุตูปปาฏิยานยานที่รู้จุติคือความเคลื่อนและอุปบัติคือความเข้าถึง ทานพบใ น, นนั้นของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมและอาสวัคยายานยานที่รู้ความสิ้นไปหรือยานคือความรู้เป็นเหตุสิ้นไปของอาสวะคือ กิเลสที่ดองกิตสันดานอันได้แก่รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้จักโลก รู้จักเหตุเกิดโลกรู้จักความดับโลกรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับโลกและได้ทรงรู้จักอาสวะกิเลสที่ดองจิตสันดานรู้จักเหตุเกิดอาสวะรู้จักความดับอาสวะรู้จัก ทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงทรงตรัสรู้โลกนี้เองและก็ทรงนำความตรัสรู้นี้มาสอนโลก คือทรงนำความรู้ที่ทรงรู้จักโอกาสโลกสังขารโลกสัตว์โลกมาทรงสอนโลกคือทรงสอนสัตว์โลกให้บรรุกสุขประโยชน์ตามภูมิตามชั้นตามแต่สัตว์โลกระนั้นจะมีความเป็นภพภูมบุคคลคือบุคคลภูที่สมควร เพียงไรหรือเป็นเมระเนยะจะพึงแนะนำได้เพียงไรและซึ่งเป็นปุริสธรรมะคือเป็นบุคคลที่ฝึกได้เพียงไรพระ อ, องค์ได้ทรงรู้โลกโดยสมมติต่างๆ และได้ทรงรู้จักโลกโดยประมัดคือโดยที่ชื่อว่าโลกนี้ก็เพราะเป็นสิ่งที่จำรุดสิ่งใดที่จำรุดสิ่งนั้นได้ชื่อว่าเป็นโลกเพราะฉะนั้นที่ขึ้นชื่อว่าโลก จะมีสมมติบัญญัติเรียกว่าอะไรเเรียกว่าเป็นโอกาสโลกสังขารโลกสั ต, ตวโลกหรือเรียกย่อยออกไปเป็นอย่างอื่นอย่างไรก็ตามแต่ก็รวมเข้าในคำเดียวว่าชำรุดพรมัรรเพระฉนนั้นอัถะที่เป็นปรมัติต คือที่เป็นเนื้อความอย่างละเอียดที่สุดยอดที่สุดของโลกก็คือวัชมุดสิ่งใดชำรุดสิ่งนั้นได้ชื่อว่าโลกและตรงกันข้ามกับธรรมะสิ่งไรที่ดําสิ่งใดที่ดํารงอยู่สิ่งนั้นได้ชื่อว่าธรรมเพราะฉะนั้นโลกจึงเป็นสิ่งที่ชำรุดธรรมจึงเป็นสิ่งที่ดํารงอยู่ วัในใดแกสัจจะที่เป็นตัวความจริงจะลอจนถึงนิพพานเพราะฉะนั้นโลกโดยประมรัดจึงเป็นสิ่งที่จารุดเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจไม่เที่ยงต้องเกิดดับเป็นสิ่งที่ชื่อวัตทุกขะเป็นทุกข์คือต้อง คือดำรงอยู่คงที่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้องแปรเลีนเปลี่ยนแปลงไปและเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนคือไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นของเราจะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงรู้จากโลกดังนี้ จึงได้ชื่อว่าโลกวิโดผู้รู้โลกต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น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 ระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยพระคุณและในพระพุทธคุณแต่ละบทก็ย่อมประกอบด้วยธรรมคุณประกอบด้วยธรรมะปฏิบัติมีสติปัฏฐานเป็นต้น รวมอยู่ด้วยทุกข้อทุกบทวันนี้จะได้แสดงพระพุทธคุณหมดว่าอนุตตรโภปุริสดรมมสารทิคำว่าอนุตตรโภแปลว่า ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าคือยอดเยี่ยมบุรสดัมมาราิแปลว่าเป็นสารถิฝึกบุรุษบุคคลที่ควรฝึก ทั้งสองบทนี้โดยปกติประกอบเป็นพระพุทธคุณบทเดียวกันแต่ก็อาจอธิบายแยกเป็นสองบทได้คืออนุตตรโบทหนึง่ง ริสะดัมม า, าราติบทหนึง่งและอาจอธิบายรวมกันเป็นบทเดียวได้ว่าเป็นสาธิตฝึกบุรุษบุคคลที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นจะยิ่งไปกว่าคือยอดเยี่ยมจะได้แสดง บทว่าอนุตตรโธผู้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าคือยอดเยี่ยมกนพระสัมมาสัพพุทธเจ้าได้ชื่อบาอนุตตรโธไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า ยอดเยี่ยม